ตอนตอบคำถามการปฏิบัติวันที่22มีนาคม 2,562 าตอบคำถามรายละเอียดทุกข้อนะแต่พรอครูจะสรุปหลักใหญ่ๆนะเป็นเป็นบางข้อกินเหล้าทุกวันจะได้เป็นพระระหันเหมือนที่โกงไหมครับ เปครับถ้าทําเหมือนจี้กลงแต่ถ้าถูกเหล้ากินเมื่อไหร่เป็นแค่หมูหันไปก่อนนะมันมันอยู่ที่เจตนาอัลหันจี้กงกินเหล้าไม่ถูกเหล้ากินเนะะาะแต่ถ้าเรากินเหล้าเราเป็นทาสของมันเออเราก็เป็นแค่หมูหันนะบางทีหมูหันเขาก็ไม่กินด้วยนะเอาคนไปหันนี่ยเขาไม่กล้ากินนะ หมูหันยังอร่อยกว่านะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวสนุกสนุกนะพวกครูมาอเมริกาใหม่ๆตัว น, นั้นมันมันมั น, ม น, ม น, มนียวมากไม่พูดเรื่องศาสนาหรอกอบรมชาวบ้านนะพวกคูบอกกินเหล้าได้ต้องกินไม่กินโง่แต่ถ้ากินเหล้าแล้วมันเสียเนี่ยไปฝืนกินไอ้งั่ง กินเหล้าได้สมมติว่าเราประชุมกันนะพวกครูประชุมตอนทำธุรกิจข้ามชาติเนาะวายขวหนึ่งสองสาแสนบาทมาสั่งมาจิบคนละนิดหน่อยชนแก้วปึ้งเซ็นสัญญาปุ๊บเอ่อพวกคนได้ผลประโยชน์คนละห้าสิบล้านร้อยล้านนะกินเหล้าแล้วมันได้ถ้าไม่กินเนี่ยไอ้งโงนะแต่ถ้ากินเหล้าเรามันเสียเงินด้วยเสียสุขภาพด้วยแล้วก็คุยกับเมียไม่รู้เรื่องด้วยอันนี้เรามัน มันแล้วมันเสียนะเสียสุขภาพด้วยนะศีลพระครูไม่เหมือนคนอื่นในการเข้าจิตสมาธิเหวียมมีโอการเอ่อมีอากาศที่ดวงจิตจะดดออกจากสมาธิตอนนั้นได้หรือไม่แล้วถ้าดูดแล้วจะไปอยู่ที่ใดคิดว่ามันจะออกจากรางมันหอไปอยู่บนดาวอังคารคาว่าจิตหลุดพ้นเนี่ย ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันหลุดออกจากความเป็นธาตของอายตนะของใจนะถามว่าจิตพอครูตอนนี้อยู่ไหนฟ้าผ่าลงมาตกจิตไม่ตกใจเป็นยังไงฟ้าผ่าลงมาเราตกใจไงจิตมันเกาะอยู่ที่ใจตอนนี้จิตมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันเป็นแค่มโนวิญญาณทำให้หัวใจเต้นเวลาเราขับรถเราจดจ่ออยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่พวงมาลัยหรือว่าอยู่ที่ขาเหยียบคันเร่ง อันนี้เขาเรียกว่าตกจิตไม่ตกใจหัวใจไม่เกี่ยวนะแต่มันหลุดออกจากความเป็นธาตุของใจเราเรียกว่าจิตใจเราเข้าใจว่าเรื่องเดียวกันมันคนละอยา่างมันแต่มันอยู่ด้วยกันนะเราต้องเรียกจิตใจใจนี่คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายนะแล้วมันปั๊มได้อย่างไรคนตายทําไมหัวใจไม่เต้นเพราะกูเคยฐามนักเวชศาสตร์หมอเนอะนะ คุณหมอเห็เคยเห็นหัวใจเห็นสิเป็นหมอผ่าตัดทำให้หัวใจมันเต้นคุณหมอชั่งนักเลยมันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะเออใบไม้มันขยับต้องมีพลังลมนะเครื่องสูบน้ําต้องมีพลังงานอะไรทําให้มันเต้นนั่นแหะมโนวิญญาณพลังจิตทําให้มันเต้นวิญญาณก็ส่วนวิญญาณจิตก็ส่วนจิตเราเรียกว่าจิตวิญญาณเห็น ไ, ไหมเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งมันอยู่ได้กัน วิญญาณนี่คือพลังงานของจิตเนาะมันอยู่ที่ตามันก็มีมีหน้าที่ทำให้เรามองเห็นอยู่ที่หูทำให้เราได้ยินเสียง น, นะเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญา ณ, นะา ณ, ญญาณชิวหาวิญญาณอยู่ที่ริางกายวิญญาณนะวิญญาณพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของจิตนะมันรับรู้ภูมิส่งมาให้จิตเราเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ เออเดี๋ยวเรามีคําตอบด้วยเราเองนะก็มันไม่ได้ดูุดไปไหนนะเราไปติดที่สมาธิเข้าใจว่าอยู่สมาธิบางคนก็ติดที่สติทุกคําพูดเราว่าเอ๊ะ ม, มันหลดจากสมาธิไหมสมาธิสติปัญญามันเป็นกําลังของจิตมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมันจะดูดไปจากไหนนะเราใช้สมาธินั้นมาทําหน้าที่เนาะ แต่ตอนนี้เราใช้จิตเรามาฝึกสมาธิฝึกสมาธิเรากินเข้าไม่ถึงจิตในจิตนะเราเป็นแค่ความสงบชั่วคู่แต่ปัญญาไม่นี่การสอนแบบแยกส่วนนะมันทําให้เราไปติดบวกแล้วก็ติดความคิดมองอะไรแบบแยกส่วนนะเอาเรื่องจิตวิญญาณมาสอนแบบทีละสเต็ปใบสเต็ปมันก็เลยเป็นแบบมีไงคล้ายว่าก็เป็นจิตที่สมาธิติดที่สติ เราก็เลยเข้าไม่ถึงกล่องปัญญานะปัญญาเกิดจากการรู้แจ้งของจิตต้องเข้าไปในจิตในจิตนะมันไม่ได้หลุดไปไหนนะอย่ากลัวหากทาสมาธิเบี่ยงสามารถเข้าไปสู่การรับรู้อดีตว่าตนเองเคยเป็นร่างทรงแล้วปัจจุบันไปรับขันเป็นร่างทรงนั้นตอนจากเชื่อมโยงได้หรือไม่ถ้าอดีตเราเคยเป็นเนี่ยปัจจุบันเราก็มีอารมณ์ที่อยากจะเป็นแบบนั้น นะมันเป็นอนุสัยเดิมนะเราก็ไปต่อยอดต่อยอดของเก่าชีวิตนี้เราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะเราก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยน่คือว่านั่นคือกรรมอย่างหนึ่งนะที่เราบ่มเพาะเป็นยังไงมาถึงชีวิตนี้เราก็มีอารมณ์แบบนั้นถ้าเราไม่ฝึกทวนกระแสนเนี่ยเราก็เป็นไปตามกรรมตรงนั้นนะมันมีความเชื่อมโยงเกี่ย ว, เ ก, ยวเกี่ยวพันอยู่ทาไมชาตินี้เรามาเจอในกรณีถูกชะตามาก เจอในขอมันไส้มันก็มาจากกดีตนั่นแหละนะแค่ครั้งที่ไม่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนาะบางทีเราปฏิบัติธรรมอยู่ พ, อพ่อครู30ปีพ่อครูเนี่ยประสบการณ์เห็นมาเยอะนัะ่งอยู่ที่นวลนั่งอยู่ที่นี่นนนเข้าไปในจิตปุ๊บเอาเสด็จพี่เสด็จน้องแล้วิ่งเข้าไปหากันเลย <c oughs> ทั้น ท, ที่ว่นมาจากคนละที่คนละแห่งนะก็ในช่วงนั้นเราปล่อยเราปล่อยให้จิตไปสัมผัสอารมณ์นั้นบ้างนะแต่พี่เลี้ยงก็ดูแลหา่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะแต่ถ้าเราอยู่สติคนสติเอ้ยถ้าไม่มีสติไม่มีอะไรเขามีสติสัมโพชชงแต่ไม่สติไม่ใช่สติปัจจุบันสติปัจจุบันเนี่ยมันไม่อิสระเราอยู่ภายใต้สมมุติบัญญัติประเพณีแล้วก็มารยะที่พวกครูบอกโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิมันกันพ้นไม่สําเร็จนะนะมันก็มีสตินั่นแหละมันเอสติมันไปพ้นไปขโมยของเขา มันไม่ได้จบที่สติมันจบอยู่ที่ปัญญานะจนไม่มีสติแต่ไม่มีศีลไม่มีปัญญาไงนะมันถึงเอาเครื่องมือสตินั้นไปไปไปเบียดเบียนคนอื่นนะเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยค่อยๆฝึกแล้วเราจะได้รับคำตอบด้วยตนเองเพราะมันมีคำถามบางกันตามเมื่อกี้พ่อกูนั่งดูเข้าๆนะโอเคเราไปเร็วๆเนาะถ้าเราบังคับคนอื่นไปทาบุญจะบาปไหมนะ เราบังคับให้คุณไปทําความดีเนี่ยมันไม่ได้บาปอยู่ที่เจตนาของเราอนะเออก็เขาอยากเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเป็นคนดีลูกไปโรงเรียนโรงเรียนคุณแม่บาปไหมบังคับให้เราเป็นโรงเรียนอะนะมันอยู่ที่เจตนาเนาะถ้าเราเขาบังคับให้เราเป็นโจรอะมันบาปเนาะอยู่ที่เจตนากรรคิดเจตนาแต่ทีนี้ยุคนี้เราชอบเสรีเราไม่ชอบถูกบังคับเนาะใครบังคับฉันก็คือว่ามันไม่ดีมันชั่วนะ เขาบังคับให้เราปลอดภัยเขาบังคับให้เราเป็นคนดีเขาเจตนาดีแต่ถ้าเขาบังคับให้เราไปเป็นคนชั่วนั่นแหละเขาบาปเนาะถ้าเราเข้าไปชดใช้กรรมในกรรมฐานจะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมนั้นหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวมันก็ปวกกรมนี้ก็ไปต่อเห็นไหมท่านมาคือขึ้นแรงๆเนี่ยบางคนไม่ได้รับวิบากกรรมบางคนเจริญภาวนาต่อ ต่อยอดที่เราฝึกมาบางคนก็กำลังใช้นี่ครับมาเกินหมดเวลาปึ๊บก็หยุดเดี๋ยวมานั่งใหม่ถ้ามันไม่หมดมันก็ทำต่อเนแ่แหละเราจะรู้ได้ตัวเราเองนะครับโปรแกรมอริยบทสี4เกิดสมาธิได้อย่างไรมันมีสมาธิอยู่แล้วเเราคุ้นเคยว่าฝึกสมาธิให้มันเกิดสมาธิเราใช้สมาธิมายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรายังติดบ่วงความความความคิดแบบ ความเคยชินะนะเราไปฝึกสมาธิให้มันเกิดสมาธิเรามีสมาธิอยู่แล้วเราใช้สมาธิมาทำหน้าที่ยืนเดินนั่งนอนเห็น ไ, ไหมไม่ได้ฝึกจิตเพื่อจบแค่ให้มันเกิดสมาธิโจรก็มีสมาธิไงแต่มันใช้สมาธินั้นไปปนไปขโมยเห็นมเพราะว่ามันไม่เข้าถึงปัญญามันไม่เข้าถึงมันไม่มีศีล น, นะเ ร, เราคุ้นเคยกับว่า เอ้เคยนั่งมีสมาธิสบ า, สบายสบายสงบแล้วก็มาเปรียบเทียบเอ๊ะพวกนี้มันไม่สงบมันเต้นไปเต้นมาเห็นไหมพอเราออกจากกรรมฐ า, านเ้ดาด่าปุ๊บเราก็วีนอีกมันเป็นสงบชั่วคู่จากเราใช้สมาธิไปกดมันไว้นะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เราเกิดปัญญาแต่เราต้องใช้สมาธิใช้สตินะถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกมีความสุขสบายใจ เกิดจากอะไรเกิดจากระวางครับที่เราไม่สบายใจทุกวันนี้เนี่ยเราเราไม่ยอมวางความยึดมัน่นถือมั่นความกังวลห่วงใหญ่เมื่อเวลานั้นจิตมันวางปุ๊บเนี่ยนะความสุขใจความสบายใจมันก็เกิดขึ้นเราก็สัมผัสมันนะโอ้วางแล้วมันก็ว่างนะกต็ต้องทําเองเ น, นาะขณะปฏิบัติมักจะปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงจนหลายครั้งที่ต้องร้องเพลงตาม ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากหากเป็นเช่นนี้ถือว่าเรายังอยู่ในสมาธิหรือเปล่าค ะ, า แ, ละและถือว่าตัวเรากำลังใช้สมองหรือจิตในการควบคุมตอนนี้นี่คือลังเลสงสัยเอ้ฉันบ้างหรือเปล่าออ ถ้าเราใช้สมองเนี่ยเราจะเราทำไมเราจะทําอย่างนี้ทําไมแต่งี้เนาะบางครั้งเป็นเรื่องของอารมณ์จิตเดิมบางทีบางคนสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะนะแล้วก็เราเองก็คือจิตนั่นแหละก็ดูดูอารมณ์นั้นนะเดี๋ยวสักพักนึงเราต้อรู้ว่าเอ๊ะใครเป็นคนทําเนี่ยเราสงสัยแล้วว่าสมองหรือจิตทําเห็นไหมถ้าสมองทำเนี่ยก็น่าจะไปสีทัญธัญญาเนาะแสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วละ่ะ เห็นไหมก็ทําไปเรื่อยๆเรารู้ตัวตลอดเนี่ยเมื่อมันมีความสุขเราก็เอาความสุขนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกําหนดรู้รู้ว่าบันระว้วเราสุขเห็นไหมเราไม่กังวลอะไรเลยแล้วก็เกิดความรู้สึกสูงนะจิตเดิมเนี่ยเขาจะมาถ่ายทอดอารมณ์เหล่านี้เนี่ยให้จิตปัจจุบันเรียนรูนะเรียนรู้ด้วยการสัมผัสไปเรื่อยๆ เวลาปฏิบัติไม่เคยเห็นภาพอะไรเลยมีแต่เพียงสัมผัสถึงอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะความเศร้าเสียใจร้องไห้แบบนี้ถือว่าเราติดในธรรมลมหรือเปล่าครับไม่ได้ติดเราเห็นธรรมลมนะก็ะไม่ต้องเห็นนกสวรรค์นะไม่ต้องเห็นอลีตอะไรนะเห็นอย่างนี้ถูกแล้วเห็นไหมเห็นความเศร้าเสียใจร้องไห้ อันนี้มีสองอย่างคือหนึ่งเห็นอารมณ์ปัจจุบันเรื่องชาติปัจจุบันนะเออเราเ ล, ลึกถึงเมื่อวานหรือปีที่แล้วนะเออเรามีความเศร้ามันก็ไหลออกมาอีกนะเสียใจร้องไห้เหมือนกันบางทีเป็นอารมณ์ชาติปัจจุบันแต่บางทีเนี่ยไม่เกี่ยวกับชาติไปเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อดีตชาติอันนี้เรียกว่าธรรมในธรรมธรรมอารมณ์ทั้งอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อดีตกระชั่งก็คือเครื่องมือในการรู้ของเรา นี่เราเห็นทําแล้วไม่ใช่ไปเห็นนะโลกสวรรค์เห็นภาพนวนเห็นภาพนี่ว่าฉันเป็นนวนเป็นนี่อันนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งอันนี้เป็นมหาสติปัฏฐานเห็นไหมกายก็ฟ้อนไปก็เห็นความสุขความสุขนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความปิติยินดีของชาตินี้หรืออาจจะเป็นของอดีตนั่นแหะเมื่อวานขึ้นไปเนี่ยก็คืออดีตหมดเนาะก็คือมันออกมาก็เหมือนเราไล่ กำลังล้างมันออกและการที่เอามันออกพุบจิตปัจจุบันก็ได้รับรู้อารมณ์นั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งอารมณ์ดีปึ้งมันหายไปไหนเห็นไหมอารมณ์สุขปุ๊บมันหายไปไหนกลายเป็นทุกข์นี่แหละคือมหาสติปัฏฐานเราเห็นความเกิดดับของมันนะจะมีวิธีการอย่างไรให้แยกแยะได้ว่าการกระทาอันนี้ใช้สมองสั่ง หรือใช้จิตสั่งวิธีทำก็คือสัตตวารู้ก็คนเน้นกับสัตตวารู้ไม่งั้นคำถามมากมายพอเจอจอดนี้ปุ๊บก็ตั้ง question w o พอได้คำตอบปุ๊บเดี๋ยวอันตัวใหม่มาก็วอรอีกเนอะรู้เฉยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมันจะเป็นสมองก็ช่างมันจะเป็นจิตก็ช่างนะมัน สมองสร้างอารมณ์จิตสร้างอารมณ์เราก็ใช้อารมณ์นะั้นเป็นเครื่องมือรู้เฉยๆเนอะไม่ต้องไปแยกแยะเนี่ยเราคิดแบบวิทยาศาสตร์ต้องจําแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนงงไปหมดเลยกลับบ้านไม่เป็นนะเพราะความอยากรู้ของเรานะเรากำลังทําลายความอยากความอยากมันจะมี q u e s t i ตลอดมีคําถามตลอดล่ะ นะมันก็ทำหน้าที่มันเกลเดแต่เรามีหน้าที่รู้เฉยๆอย่าไปทำตามความอยากถ้าเราหาคำตอบมันไม่จบมันมีเยอะมากเอาแค่คำถามเนื่องจากที่นี่เป็นองค์กรใหญ่แค่คนหนึ่งคำถามแล้วเนี่ยก็ห้าร้อยหกร้อยแล้วเนี่ยเราจะตอบเมื่อไหร่มันจะจบเนาะ เวลาเรานั่งสมาธิหรือการที่เรียกว่าการเข้ากรรมาฐานแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องทําอย่างไรเราถึงจะมีสมาธิสติที่แท้จริงใช่ไหมถ้าเราเป็นชาวป่าเรารู้คําว่าสมาธิไหมเรารู้คําว่าสติเราไปรู้ว่าฝึกสมาธิจเจริญสติ เห็นไเราก็ไปติดมันว่าพอพูดเรื่องจิตปุ๊บก็สมาธิสติเห็นไมอันนี้คือองค์ความรู้เรามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันได้ยินมาอย่างนี้ฉันฝึกมาอย่างนี้สมาธิต้องเป็นอย่างนี้และอันนี้มันเรียกว่าอะไรล่ะอันนี้คล้ายๆขาดสติเห็นไมเหมือนคนบ้าเลยอายุขนาดนี้มาตีลังกาอีม่อายหรอเห็นมเห็นไหมไม่มีสติ ร้องไห้หัวร่อเต้นแรงเต้นกาอย่างกบคนเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจถ้าจะหาใช้เหตุผลแบบตักกะเนาะก็พระครูบอกแล้วไงสักจะวรู้สักจะว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินรู้เฉยๆนี่เป็นทางรอดที่เราจะหลุดออกจากบ่วงความอยากรู้ของเราเนาะก็ทำอะไรที่ตรงกันข้ามมัน ถ้ามีเวลาไม่มากแต่อยากที่จะปฏิบัติถ้าเลือกระหว่าง S a d e กับสมาธิเวี่ยนแบบไหนจะดีกว่ากันและเห็นผลเร็วกว่ากันครับทุกอย่างดีหมดอยู่ที่ซิชเชเลชั่นสิ่งแวดล้อมสถานการณ์เวลานั้นเราเหมาะแบบไหนและเหมาะแบบไหนนะถ้าอยู่ในลิฟต์คนเดียวไม่มีใครเห็นก็เช็คเช็คเช็ค เห็นไหมเรจะไปเหวเี่ยมโยชนซ้ายชนขวานะเราต้องรู้เองว่าเวลานั้นดีทุกอย่างนะครับพราะครูไม่อยากพยายามให้เปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากันเนาะอันนี้อาจจะดีเวลานี้อันนี้อาจจะดีเวลานี้ชีวิตเราเหมือนกันถ้าเรายึดมั่นถิ่มั่นในในความดีที่เราเชื่อมัน่นต้องแบบนี้แบบนี้นะซ้ายหันขวาหันตรงไปเจอต้นไม้ก็บืนอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมไม่รู้จักโลภดีกันนะันนั้นไม่ใช่นะคนมีปัญญาต้องไม่ทําอย่างนั้น ก็ดีเหมือนกันหมดนะครับปฏิบัติสมาธิเวียง s อดี D, อรียบวดสีและเครื่องมือเดินทางสามารถอุทิศบุญกุศลให้กับคนเป็นและผู้ร่วงลับได้เทียบเท่ากับการเข้าวัดทาบุญถวายสังฆทานหรือการปฏิบัติทานบารมีในรูปแบบต่างๆได้หรือไม่คะก็เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ทานศีลภาวนา การให้ทานเนี่ยมีกุศลมากแต่ยังสู้คนที่มีศีลไม่ได้ทําทานทําดีอยู่แต่ทําดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนนะเหมือนเราทําให้ตัวเองสะอาดเพื่อทําให้มันเปื้อนอีกนี่นะเออบางคนรักษาตัวเองไม่ให้มันเปื้อนก็รักษาความสะอาดมีศีลแล้วเนี่ดีกว่าทานด้วยทีนี้ทานมีวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะวัตถุทานเนี่ย พราะครูเคยบอกแล้วนะว่าพราะครูเปรียบเทียบพราะครูเองว่าวัตถุทานเนี่ยได้ส0บเปนได้บุญ 10% ธรรมทานได้ 30% นะแต่อภัยทานเนี่ยได้ 60% วัตถุทานต้องเสียวัตถุเสียเงินเสียทองนะว่าธรรมทานเนี่ยต้องเสียเวลามานั่งพูดไม่ขี้เหนียวความรู้ชี้ทางทำให้เขา นะเหมือนเราไม่มีลิขสิทธิ์นะใครอยากมารู้เราก็ให้ทั้งหมดอันนี้ไม่เหนียวความรู้อันนี้ได้มากกว่าวัตถุทานแต่ยังน้อยกว่าให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวนะอภัยทานให้ในกอคนเดียวอย่างพวกครูกำลังให้ธรรมทานอยู่พูดทีนึ่งปุ๊บคุณครูตั้ง 4-500 คนเนี่ยออกย t ท b e ไปเป็นล้านๆเลยเนี่ยประโยชน์นี้มันออกจากวงกว้างผู้ให้เนี่ยได้มากกว่าให้วัตถุทาน แต่ยังน้อยกว่าพา่อครูให้อภัยทานแค่คนเดียวคือคือคนให้เนี่ยได้อภัยทานเนี่ยได้มากกว่ า, าที่วัตถุทานกระทั่มาทานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเราให้อภัยทานเนี่ยเหมือนเราเอาภูเขาออกจากอกใช่ไหมมันเบาเราได้ในสง์มากกว่าถ้าที่ว่าไอ้คนที่อภัยมันมันไม่ได้อะไรจากเราเลยแต่เราได้เอาภูเขาออกจากอกเราไม่ต้องแบกข้ามปบข้ามชาติเราเกียรตในกอมากเกียรมันมาก นะแค้นนี้ต้องชำระ10ปียังไม่สายผ่านไป9ปี11เดือน29วันอีกแค่วันหนึ่งจะหมดวีซา่าคืนนั้นจะนอนหลับหลับตาปุ๊บเห็นหน้ามันอีกวีนขึ้นมาอีกอจนนอนไม่หลับทั้งคืนเห็นไหมต่ำแต่ถ้าเราโยนมันออกไปแล้วเนี่ยเราก็เบาไงเนี่ยอภัยทานได้มากกว่าวัตถุทานแต่ยังน้อยกว่านี่ละ่ะทานศีลยังน้อยกว่าเรารักษาศีล นะรักษาศีลอย่างน้อยกว่าเจริญภาวนาที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแล้วทําไมเราบังอาจว่าบางทีแค่สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ก็คือเหมือนกับมาฐานอย่างหนึง่งคือทําให้มีสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเอ๊ะคุณไม่ไปทําความดีที่ไหนนะคุณคุณบังอาจจะแผ่เมตตาอย่างนี้นะนะมันมีในายากของมันอยู่ เมื่อเราทําจิตให้สงบแล้วเป็นปกติแล้วเราก็แบ่งปันบาราีตรงนี้เหมือนเราปฏิบัติเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แผ่เห้ตามไม่ต้องทําพิธีหรอกอยู่ที่เจตนาเราก็แบ่งปันแบ่งปันนะให้สรรพสัตว์ทั้งหมดอย่าเป็นเรื่องให้ญาติพี่น้องเราทนเองยังชี้เหนียวเลยนะเลือกเฉพาะญาติของฉันให้ทั้งหมดให้ทั้งหมดนะเราก็ได้ให้เราก็ให้อภัยทานให้ธรรมทานนะ ก็คำตอบว่าทานศิงภาวนาภาวนาเนี่ยได้อานิสงส์มากที่สุดในขณะปฏิบัติสมาธิเบียดปฏิบัติไปได้สักพักก็รู้สึกว่าระบบขับถ่ายเริ่มก่อกวนแต่พอหยุดเวียดสักพักก็หายไปเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมารครับเวลาปฏิบัติก็เวียนหัวตลอดเวลาเป็นเพราะสะบัดหัว หรือบุ๋นหัวมากไปหรือเปล่าครับนั่นแหละมานไม่มีบันเม่เกิดแต่ถ้าเราเวียนบ่อยๆนะระบบขับถ่ายเนี่ยมันจะดีคนเคยมีปัญหาระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปรับสมดุลนะอันนี้หลายคนเมีย น, นีสมเรื่องนี้แต่ช่วงที่เราปฏิบัติปึ๊บมันจะมีเรื่องพวกนี้มากวนเราเนี่ยเรียกว่ามานนะแล้วเวียนหัวปวดหัวนี้ก็มานนะให้ทําอย่างไรสักแตว์วาร้ยอมรับมันทําต่อไปนะเดี๋ยวมันก็ออก ทุกคนเนี่ยปวดหัวหมดเพราะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คนชนนบดเขาไม่ค่อยคิดเข้าปุ๊บเข้าไปในจิตได้แต่ว่าเขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเจ็บน่วนปวดนี่เพราะว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยดารงชีวิตได้ด้วยการฆ่าสัตว์คนเราลับกรรมไม่กัมจะพวกเรานักคิดนะแม่ครัวที่สูนบาลานคอยน่ยเข้าไปจิตในทุกคนอ่ะทุกคนถอยหมดบุญมีแต่กรรมมันก็ดึงไว้อยู่ ก็ทํเท่าที่เราทําได้เนาะเวลาที่ทุกทุกคนเข้าจิตจะเกิดอาการต่างๆแต่เขารู้ตัวซึ่งเป็นผลมาจากชาติก่อนเป็นกรรมของเขาและมันสามารถแก้กรรมโดยการกระทําเหล่านั้นได้หรือไม่และทำไมต้องมีวิธีแก้แบบนี้ มันมีหลายวิธีวิธีซึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุชนพุ่มขาหากักนั่นก็นั้นก็จ่ายหนี้กรรมแต่งงานปุ๊บมีคนเขาแย่งแฟนเราไปแล้วอกหักนั่นก็จ่ายหนี้กรรมแต่ถ้าเราจ่ายหนี้กรรมทางจิตพ่า ก, กู30ปีเห็นมาล้เป็นอมรพาตยีสปีเดินไม่ได้เป็นอดีตตำรวจนะมาอเมริกาใหม่ๆเขาก็ถามขึ้นมาบนสารวัตผู้กกสอนนะ พอเราลุกชาติปุ๊บเขาเห็นเลยว่าเขาเคยฆ่าคนอะไรเนี่ยมันก็ล้มลงไปเอาขาที่มันขยับไม่ได้เนี่ยไปกับพื้นโอยโอยโอยโอยอยโอยนะโอ้ยทรมานตัวเองกลายเป็นคนที่ถูกฆ่าก็ดึงมือโอ ย, โอยเจ็บปวดมากนะเออสองวันลุกขึ้นมาเดินเลยอันนี้มันจ่ายนี้กรรมได้ไหมการจ่ายนี้กรรมต้องจ่ายด้วยความรู้สึก ทุกพอเราชนถูกชนขาหักเนี่ยความเจ็บปวดเราทําให้เราทุกข์ใช่ไหมความรู้สึกทุกข์มันก็อยู่ในจิตอ่าตอนนี้เรามารู้สึกทุกข์ในจิตเรานั่นแหละจ่ายหนี้กรรมแต่ถ้าเราเหนียวนี่เอ้ยไม่เอาดีกว่าอยู่อยู่เฉยๆก็สบายแล้วรู้ว่าเข้าไปทุกข์แล้วเข้าไปทําไมมีคำถามนะนะเพราะเราติดสุขไงนี่คนเหนียวนี่แล้วจ่อไปมันจะเกิดในชีวิตจริงเรามีสองอย่างนะที่แสดงออกคือหนึ่ง เป็นเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรีพีทให้จิตปัจจุบันเนี่ยไปเรียนรู้กับมันนะไปเสพกรรมนั้นสองมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราให้มันเกิดขึ้นในจิตเราก่อนนะอันนี้ก็ฟังหูมหูไม่ค่อยยาสรุปอยากรู้ก็ทำดูนะการเข้าจิตแล้วไปเสพแล้วออกมาเป็นสิ่งที่ฝึกฝน หรือสิ่งที่ติดตัวมาจากชาติก่อนครับการเข้าจิตแล้วไม่เสกแล้วออกมาเป็นสิ่งที่ฝึกฝนหรือสิ่งที่ติดตัวมาจากชาติก่อนอันนี้คำถามไม่ค่อยชัดนะแล้วไม่เสก อารมณ์เราเนี่ยตั้งแต่นาทีผ่านไปไเนี่ยเป็นอดีตหมดอารมณ์ปัจจุบันเป็นเวทนานทุกอย่างอารมณ์เนี่ยทั้งแต่วินาทีที่ผ่านมามันกลายเป็นอดีตหมดเป็นสัญญาเนาะจนไปถึงหลายๆชาติเนี่ยพระเจ้าจึงบอกให้เราต้องนอกจากทําดีละชั่วแล้วเนี่ยต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทําดีก็ทําทานละชั่วก็คือศีล ขัดเกาจินให้ผ่องใสก็คือการเจริญภาวนานะก็ทำไปเรื่อยโปรแกรมอริยบทสี่บางครั้งรู้สึกตนเองทรมานต้องทำอย่างไรครับขันติไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอริยบทสีนี่ง่ายที่สุดใช่ไหมไม่ต้องออกแรง น, นนะแต่ยากที่สุดยากมากนะแล้วก็อดทน ถ้าเรานิ่งได้ไม่เกิดปัญญาเยอะเพราะเราจะเห็นอารมณ์เราเลยเห็นเราเป็นนักคิ่ผู้ยิ่งใหญ่นะเห็นความทุกข์แล้วพอชั่วโมงเวียงปุ๊บเดียวจิตมันเห็นแล้วมันจับเวียงออกหมดนะโปรแกรมนี้พครูพยายามเชื่อมกันถ้าทำต่อเนื่องกันมันเอื้อกันตลอดเวลาและสุดท้ายเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากชีวิตเรามีเงื่อนไขเวลาจากัดแล้วก็ในทเป็นเป็นก้อน แต่พอเราทำแล้วเนี่ยจิตมันจะบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ได้แยกวิชาใดาๆทั้งนั้นเนาะมีเวลาปฏิบัติเพราะเหตุนใดนกรรมที่เรากระทำจึงต้องติดตามเราไปทุกพพทุกชาติก็ถูกแล้วนี่ผู้ชาติเป็นตัดสรู ง, ง่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติอ่าถ้าทำเราไม่ส่งผลเนี่ย เห็นไหมทุกคนก็ฆ่ากันตายหมดความการเรียนไหา้ตายเกิดก็ไม่มีเห็นไหมบางทีเราเข้าใจว่าชีวิตเราชาติเดียวจบนั่นแหละเพราะว่าเราไม่มีโอกาสเรียนรู้ความจริงว่าความจริงตามธรรมชาติมันเป็นอย่างไรนะก็นี่คําว่าสัตว์โลกไปไปตามกรรม ก, ก็ก็แบบนี้แหละนะเราตายแล้ว ม, มันข้ามมันก็ตามไปด้วย มันเป็นกรรมที่เราสร้างไงเวลาปฏิบัติแล้วมีอาการปวดหัวเวียนหัวพอมีอาการแล้วก็อยากจะหยุดปฏิบัติแต่ใจยังอยากทำต่อไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะหายนะก็ตั้งมั่นศรัทธาทำต่อไปนั่นแหละเจ็บปวดก็ต้องฝึกขันติไหมเหนื่อยก็ต้องขันติ ใช่ไหมก็ต้องอดทนเราก็ได้เราได้ขันติบารมีเราก็ได้มีอินทรีย์พระาชแก่กล้าขึ้นนะครับถ้าทำแล้วสมูทไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลยนั้นที่เป็นหลักธรรมดาเนาะหลักของพ่อครูมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หรือไม่อยากพิสูจน์ไหมใครอยากพิสูจน์เดินมาหาพ่อครูตรงนี้ พ่อคูตีหัวปกเนี่ยรู้สึกยังไงเราเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอันนี้ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือศาสตร์วิชานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอะซึ่งค้นพบในความจริงบางอย่างของธรรมชาติเข้าใจว่ามันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนักวิทยาศาสตร์เคยไปถามพ่อคูบอกพ่อครัวไม่ชอบคําสอนพธธระเจ้าว่าทำไมถามไม่ได้ก็บอกเช่นนั้นเองตาตาเนาะ เขาเขาไม่ชอบนักวิทยาตรต้องมีคําตอบสิบางอย่างมันตอบไม่ได้เนกกาะต้องกลัานักวิทยาศาสตร์บอกพ่อปูหน่อยพ่อปูอยากรู้ทําไมคนต้องมีสองขาทําไมวัวต้องมีสี่ขาทําไมมูไม่มีขาธาตุชิดมาจากไหนนักวิทยาศาสตร์ตอบพ่อปูก็อยากรู้ไง น, นะเอาแล้วอยากรู้แล้วคนทุกไหม ก็ไม่เกี่ยวกับการผลทุกข์วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีทําให้เราไม่หลงงมงายนะผู้เจ้าสอนแบบวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งนะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองท่านจงมาดูเถิดท้าทายด้วยนะปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคนนี่ยิ่งกว่าหลักวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องอย่าดวนสรุปว่าเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่เห็นไหม โดยเฉาะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเอาไปแค่วิจัยสร้างเรื่องรูปประทังเห็นไหมเอาแต่เรื่องกายภาพเรื่องจิตวิญญาณบังทีมันพูดด้วยเหตุผลไม่ได้นะพูดภาษามาปุ๊บมันก็เพี้ยนแหละเห็นไหมแล้วต้องพิสูจน์อย่างกาแฟถ่วนึงเขาชงมานะถ้าเราไปนัด ก, กินกาแฟแล้วก็คาดคะเนได้าข่าวว่าให้มันเข้มเว้ย มันน่าจะขมแค่นั้นขมแค่นี้เรารู้ป่าวมันหวานแค่ไหนหลักวิสาท์ทอยังไงก็ต้องกินดูนั่นแหละวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็เราพิสูจน์ด้วยตัวเองไงนะก็โดยเฉพาะพ่อครูแก้คำถามนี่หน่อยนะหลักของพ่อครูเนี่ยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หรือไม่ เห็หลักการคือว่าคุณทําเองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่นี้ไม่ใช่วิธีพ่อครูนะวิธีวิธีพ่อครูมันไม่มีวิธีถ้าไม่ีวิธีทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนะต้องเต้นเหมือนกันทําเหมือนกันเหมือนเขาเต้นไอไอไอสามโกวันนั้นอ่ะเออต้องมีจังหวะเหมือนกันนะทุกคนเป็นนั้นนั่นคือวิธีอันนี้มันไม่มีวิธีเมื่อกี้ท่านจิตอาสาเนี่ยสองวันมาเนี่ย เป็นพี่เลี้ยงนี่รับเละเลยใช่ไหม <c oughs> กูกอบอกขอเปิดไฟเขียวให้ปวดปล่อยมาแต่ละคนไม่เห็นเหมือนกันเลยทําไมไม่ใช้วิธีเหมือนกันเห็นไหมแนวที่เราทําเนี่ไม่มีวิธีและไม่ใช่แนวของพ่อคูไม่ใช่แนวของใครทั้งนั้นมันเป็นสากล น, นะญาติธรรมเราไม่เคยมาเจอพ่อคูทั้งเป็นคนลาวคนไทยบังเอิญไอ้โปรแกรมของแก้วทิพย์เนี่ย เรื่องภาษาต่างประเทศก็ยังไม่เสร็จนะคนลาวเขาก็ฟังภาษาไทยออกบ้างเนีเขาแก้ฟังปุ๊บเขาก็ทําได้หมดทุกประเทศร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเห็นไหมมันเป็นสากลมันเป็นสากลเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันไม่ใช่ของโบกูมันของธรรมชาตินะก็ถ้าเราเข้าจิต จากสมาธิเบี่ยงแล้วต้องเห็นอดีตของตนเองจนทําให้ปัจจุบันต้องรู้สึกเจ็บปวดเราจะทำครับเราจะเข้าเข้าทำไมทําไมไม่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอครับอันนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะธรรมะคือปัจจุบันและคําว่าดีที่สุดของเราคืออะไรดีที่สุดของเราคืออะไร ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ว่าดีมันคืออะไรสุขสบายไม่มีปัญหาเลยนะเราคิดว่ามันดีที่สุดเนานะมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเราอาจจะสูญเสียชีวิตเราป่าประโยชน์ในชีวิตนี้เนี่ยไม่ทำอะไรที่พัฒนาจิตเลยนะแค่อยู่ก็กินแค่มีความสุขตมามมัตภาพมันนั่นก็ดีแล้วเป็นพื้นฐานของมนุษย์แต่จิตเราไม่ได้พัฒนาเลยเนี่ย ท่านอย่ ง, งยชีวิตเราไม่ที่เรื่มชาติเดียวเนี่ยถือว่าเราพลาดโอกาสนะก็เหมือนเราไม่ยอมจ่ายหนี้เก่านะนะการพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นนี่มันเป็นส ม, มถรถเป็นพื้นฐานอ่ก็ดีแล้วนะครับแต่พอใจไม่ได้แปลว่าพอแล้วนะพอใจเพิ่ม ยินดีกับที่เรามีก็ไม่ทุกแต่ต้องขยันขันแข็งทําต่อไปทั้งทางโลกทางธรรมเนาะเออลดกเสือกกระสนไปทำงานหาเงินทำาไมเห็นไหมเออก็อยู่ปัจจุบันพอแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่พอนะถ้าเราไม่รู้จักสะสมทรัพย์หน่อยเนึ่งเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยแล้วยังไงเห็นไหม เราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองทั้งวัตถุทั้งจิตวิญญาณถ้าเกิดอุบัติเหตุโอเคเสียทั้งวัตถุตัวเองก็ไปทํางานหาเงินไม่ได้ขาหักเนอะลูกจะทํำยังไงอันนั้นไอ้เรื่องไอนเรื่องกายภาพนะทีนี้เรื่องจิตวิญญาณถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็ทุกข์ไงเพราะเราไม่พัฒนาที่นี่การไปเห็นอดีตที่เราทุกข์บ้างนั่นคือเราไปเสดความทุกข์ไปฝึกกับความทุกข์ แล้วต่อไปเราเจอวิกฤตปุ๊บเนี่ยเราจะผ่อนหนักเป็นเบาเหมือนเราไปฝึกทหารนั่นแหละทุกทรมานไอยอยู่บ้านดีๆไปเป็นทหารทําไมปีนต้นไม้ปีนกาแพงไปลุยโคลนไปทุกทรมานทําไมนะอันนั้นคือคนไม่ประมาทฝึกให้เราเข้มแข็งแล้วสักวันหนึ่งเราเจอวิกฤตเหล่านั้นน่ะเราจะผ่านได้นะครับก็เป็นขามที่คำถามที่ดีนะคล้ายว่าเอ๊อยู่ดีๆไม่ชอบไปหาเรื่องทําไม อันนี้เป็นคํคเปลียนสติดีๆใ น, นทางโลกเนี่ยต้องใช้บ่อยๆอยู่ดีๆก็ดีไงทำไมต้องไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ล่ะเห็นไม้มถ้าไปทำในความชั่วนั้นอันนั้นต้อ ง, ต, องต้องอย่าไปหาเรื่องเนาะเอออยู่ดีๆก็ดีแล้วอย่าไปหาเรื่องทำไมถ้าการเข้าจิตคือการชดใช้กำรนแดในหยาดเดี๋ยวเดวถ้าละสังขารไปแล้วจะต้องชดใช้กันอีกหรือไม่คาว่าละสังขารคือว่า เราล่าได้ระดับไหนนะเราปล ด, ดปล่อยเราออกกระแสรกรรมได้จริงไหมบางคนเขาล่าสังขารวันนั้นได้คือเขาปล่อยวางได้นะเขาก็ไม่ทุกข์เขาอาจจะไปเสดสวรรค์สมบัติหรืออาจจะเป็นพระริยะเบื้องตน้นหรืออาจจะเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งนะกรรมก็ยังไม่หมดนะเหมือนเราเป็นหนี้ธนาคารล้านหนึ่งอะ เราก็จําแม่งเลยเนี่ยเดือนที่แล้วธนาคารมัดทวก็จ่ายเธอไปแล้วแสนหนึ่งอะ่ะเออก็จ่ายไปแล้วแสนหนึ่งแต่มันยังเหลือเก้าแ0นน่ะเนาะก็ชันจ่ายเธอไปแล้วไงคุณจาได้ชั้นจ่ายเธอไปแล้วแสนเธอก็จ่ายแสนหนึ่งแต่มันมีเก้า0 0นน่นะเอาเป็นว่า ก, กรรมเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายให้กรรมหมดนะขอให้เรามีบา ร, รมีเราหลุดออกจากวัฏฏสงสารนี้แล้วไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกเนี่ยเห็น ไ, ไหมไม่ต้องอยู่ในร่างนะ กรรมมันก็ไล่บี้เราไม่ได้เค้า okay, ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่มีสมาธิในการปฏิบัติเลยเราเจะได้บุญบ้างหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับบุญบาปหรอกครับอนุมา ถ, าถ้าเราไม่มีสมาธินน่เราไปทำชั่วเราก็ไม่บาปเนาะบางทีเจอขอทานใจดีให้มันบาปนึ่งเราก็ได้บุญละเนาะเอาเป็นว่า ช่วงที่เราฝึกเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าไปซีเรียส น, นะครับเพียงแต่ว่าทุกครั้งเมื่อทำทำดีที่สุดนะทำดีที่สุดก็คือทำคนดีตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำส่วนผลมันจะออกมาแค่ไหนเนี่ยให้ยอมรับมันนะก็ใกล้จะเวลาแล้วนะเดี๋ยว พ อ, อยังไงก็ไม่หมดพบกูตัดเลยพอแค่นี้เดี๋ยวทุกท่านหิวข้าวเนาะวางไม่รู้เรื่องเหรอโอเคเราอยู่กันแค่นี้